เรื่องการเจริญสมถะและวิปัสสนาตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเถุขคติปฏิกังข า, เ, า, ขขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขคติก็เป็นอันหวังได้เพ<อ>ื่อรักษ า, าศาสนามหอดห้องค<อ>นโงโงๆก็มีรักษ า, าศาสสนามาไดหอดห้อง เท่าไีร่สิเอาต่อไปเนี่เข้าเสิให้ดีกว่านั้นเข้ากระเตุให้มันดีขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสรารการ น, นี้เมื่อเวลาจะสิ้นใจปัจฉิมภาคแห่งชีวิตเธอก็ไม่ได้ดืม่มน้ำจันทร์ไม่เสวยน้ำจันทร์และเธอก็สมาทานศิกขาบททั้งห้าไว้ในใจอย่างมั่นคงบัด น, นี้เขาไปแล้วสู่สุคติ อย่าว่าแต่สรารกานี่เลยต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้ฉันชี้ไปที่นิโคท า, ามถ้ามันสามารถฟังทำรู้เรื่องเข้าใจสิ่งที่เป็นพาสิตสุภาสิตทุกพาสิตจากเราต้นไม้เหล่านี้ก็จะเข้าถึงโสดาบันพอต้นไม้มันบวาทำสัวอีกอย่างแต่ว่ามันฟังบวชเป็นมันบวเข้าใจจากดาวใบใหญ่คนที่ฟังภาษากานรู้เรื่องแม้เขาจะชั่วมาบ้าง เวลาเขาจะตายจริงๆเขาละลึกถึงทำอยู่เขาก็งดเว้นพอเห็นนั่นพอแม่เฮ้าแต่บบล่านย่ามสิตายไปเอิญใส่เจ้าละลึกถึงผู้โทษเด้อผูทโทษเด้อแล้วคนไห้ว่าอารหังเด้ออารหังเด้ออารหังเด้อคือว่าน่าาะนะเฮ้าสิไปว่าพนโง่โมเมนต์เลยพพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่อันนี้ก็สอนคือจิตดวงสุดท้ายเวลาจะตายมันจะหาที่พึ่ง ถ้าใครมีอะไรเป็นจุดที่จะตั้งต้นแห่งคุณงามความดีมันจะไปที่นั่นถ้าผู้ใดไม่มีคุณงามความดีเลยมันก็จะกลับไปหาแต่ความชั่วบาปกรรมก็จะมาบีบคัน้นคนฆ่างัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาจะตายจึงร้องดิ้นรนกระวนกระวายเห็นแต่ภาพบาปกรรมที่ตนเองได้ทําทีนี้ถ้าคนทําดี เมื่อปีปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วนะเดือนใหม่ๆ ม, มาเนี่ยเดือนมกราผ่านมาอาตมาตั้งใจจะมากราบมาทำวัดหลวงปู่ชาก่อนที่จะเผาจะพาพระเนรมาวันที่เจ็ดมกราที่นี่จะมาแสดงธรรมที่กองบินยี่สิบเอด มาแสดงธรรมที่วิทยาลัยกลางคืนอาดมาไข้ทั้งคืนทำไมจึงเป็นไข้ไข้ามาจากเมืองหน้องคายกําลังจะดีกําลังจะดีแล้วหมอก็บอกว่าพักหน่อยก็หายที่นี่มันพักไม่ได้แต่ยังยังพักอะไรพอไ่ดีแล้วตายตายนี่หูจักเจ้าของซื้อเล่าวาตาดีคนมั่นน้องสองห้อง นี่แม่บ้านของโยมดีก็ยังอยู่ยังมาปฏิบัติธรรมกับอาตมาจยู่เมื่อสิตายสั่งโลกสั่งหลานไว้เบิ้ไปหาเอินสั่งผู้นั่นผู้นี้ไปสั่งพระในวัดซะก่อนเล่าคำลังส่างสุ่มพระตูบ้านแล้วเหมาให้เขาสร้างถวายวัดแสนเจ็ดหมืนให้เงินเข้าไปแล้วเก้าหมื่นเหลืออีกแปดหมื่นแต่พ่อใหญ่ดีรู้ว่าตนเองจะตาย โบเล่ฟา่ไปบอกผ่าเอาเงินไปหายพรอมอาจารย์เนยผมบไดายยูดอกสุมพักตูกับโแเลวผมสิตายนี่จางหาเงินเขาไปแล้ว 9, 000, เก้าหมืนเหลืออีกแปดหมื่นผมขอถาวายให้สั่งจนแล้วเด้อเป็นผมตายแล้วก็ได้ผมเอาไว้น้ำลูกผมนี้เอาไว้น้าบักเพิ่มนี้เอาลูกไปด้วย ท่านอาจารย์ที่วัดท่านก็บอกขอโอ้ยเจ้มันบอกจังไรเพราะยัยดีเจ้าคือจังบอกขักบว่าแน่แต่ฟานสิเมื่อให้เมื่อหน้ามาสั่งกระเดิจังไรแกบอกว่าเขามาเอาผมแล้วเขามาเอาผมแล้วไปเป็นหัวนหนาบวชชีภามอยู่สวรรค์สั่นจ่าตูมสวรรค์ก็อึดเทวดาดีอึดคนดีกาย้อนเมืองมนุษย์เด้อเนาะ ประกาศเปิดจาาทวนทั้งวิทยุกามาได้แคนี้และเนี่ยเมื่องเข้าก็ได้สวรรค์แท้ๆก็ยังขาดแขนคนดีพ่อใหญ่ดีบอกว่าเขาให้มาเอาแต่ปีกายแต่ผมขอไหวปีหนึ่งอันนี้อาตมาเป็นพยานเมื่อเราไปทอดกระถินกันตอนที่อาตมาไม่สบายตอนเช้านั่นพ่อใหญ่ดีไปถึงกับลูกกับเมีย เอาเงินไปถาวายอาตมาพันหนึ่งอีกพันหนึ่งเอาไปถาวายสร้างศาลาอาตมาก็บอกว่าเอามาถาวายข่อยเห็หนอย่างข่อยบดได้ใส่เงินใส่ท่องเองียงเอาไปเหตสละหัน น, หน้ำพึนเป็นอย่างโบสันจะถาวายให้อาจารย์เอาไว้ถับปัวโตย่าทำเจียบไข่ได้ป่วยมีหลายเทโบะละวะเอาไว้ถับปัวโตแล้วผมก็สิบโดยอยู่ผมสืเมื่อเมื่อปัวปาก ปากคนเบี้ยวอยู่ขังอาดมาก็ลืมดูหวยเจ้าเป็นยังจังเป็นยังสั่นปากเบี้ยวเราอ่ววะเป็นยังมันจังเบี้ยวเบี้ยวมาจังหมื่นสามมื่นนี่ฝันว่าเขามาบอกเลขให้ว่าพ่อใหญ่เอ้ยข่อยจะบอกเลขให้เจ้าเจ้าซื้อแล้วให้เจ้าถือแล้วไปสั่งซุ่มพักตูให้ข่อยในเด้อบอบอบอเราอ่ววะมาบอกองั้นผู้ปฏิบรรัติทำ โยมดีนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเป็นหัวหน้าพาเพื่อนปฏิบัติธรรมบวชเนรภาคฤดูร้ อ, อนบวชชีพามวัดเคลื่อนที่เนี่ยเอารถมารับอาตมาเมาเองมาเจดคันรถบาดเสียสลัมากเป็นคนรวยมีปั๊มน้ํามันมีอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเล่าว่ามันบอกว่าบอบอกดอกอผู้อื่นบอกผู้อื่นถือแล้วมันบอสั่งให้ บอกเจ้าเนี่ยละคนมีศีลมีธรรมถึกแล้วให้เจ้าสัาง่สงสร้างส่มพักตูให้ขอ่อยเนื้อข่อยไฉดีบอกว่าบอสือเลขมันเห่ัญการพนันตัวว่าข่อยเป็นหัวหนา้าโมปฏิบรรัติถ้ำซีไม้ข่อยออกนอกทางเนี่ยไฉมันบอกว่าขันเจ้าบสือข่อยซีบิดปากโตแล้วมันก็บอกบอกหวยข่อยไฉดีกับโบสือเซ้สามหมื่ กลางคืนมาหันนอนรับไปเติมขม่าหูซึกว่าปวดปากวปวดวเมื่อลูบหลุดปากก็ห่างพี่บัตโว้ยโฮมโนไล่บดถือปองบัตโฮมโนไล่ออกขอก่างผมไปเงี้ยงแวดเอาเจ็บหายหลุปากเบี้ยวอีรีบัตแกก็เลยมาเล่าให้อดัมมาฟั ง, ฟงผมจะไปปัวปากออดัมมาก็เลยบอกว่าอย่าไปปัวไปซื้อเลขโลดท่อไปซื้อปวปากออดมาว่า ขันบ่ถือ ก, กับว่าเป็นอยังถือว่าสื่อกัวปากมั่นกับที่เศ้าบิดตัวสื่อแล้วขันมันถือเจ้ากับสร้างซุ่มมักตู้ให้เขามั่นก็แล้วไปพ่อใหญ่ดีก็เลยแนนคั้วมาจานในเนะเราอะผมนี่กับยานบ่ไ ด, ด้อยูโอ่โดนเหรอขันปีกายเขากับมาเอาผมเทีนึงเดีวเขาบอกว่ามาเอาไปเป็นหัวหน้า ปฏิบัติธรรมบวชที่ภาพอยู่สวรรค์สันกตกาตุมผมขอไหวปีนึงพอได้ทํากุลน้ำความดีอาตมาบอกปีนึงนี่มันเหลือสองเดือนทานไหนไดี๋ยวนี้เดือนตุลาแล้วพฤศจิกาทนมาสองเดือนเจ้าก็ตายพ่ออย่างดีเจ้าฝ่ามาปฏิบัติธรรมเด้อเจ้าเนี่ยมีแต่ท่านบริมาณนางสมาธิด น, ดนดนขักขักจักเถือ่อวันที่สิบโมกกระลา ถ, ถึงสิบเจ็ดให้เจ้ามา พ่ใหญ่ดีบ่ว่าผมสิมากเอารลดบาทมาผอมสองขั้นเอาไทยบาทมานำเลยล่าไปันเอาละผมสิเอาละบาทนี่ไาสันผมล่าเมื่อซะก่อนอาตมาก็บอกว่าตั้งไจดเดือเมื่อซื้อเลสซะปรากฏว่าพ่อใหญ่ดีไปซื้อเลขถูกได้เงินเจ็ดแสนบาทก็เอาไปสร้างซุมประตูยัง่งบลหลวบาทมันเบิดแตเลยได้บาทนี่ขอไว้ปีหนึ่งนั่น มันเป็นเดือนท่านว่าแล้วไปสืเบเวทแล้ววันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกฝันว่าเขามาเอาอีกแล้วมาเอาเลยได้บาทในวสันครบแล้วปีใหม่วสันโอ้ยมันจะเลี่ยวว่าฉันสุ่มบักตูววเราอะบ่เลีวกับเจ้าเหตุแห่มันเลีวจ้างเขาไว้พัดพรอมกันบ่ได้อีกแล้วได้บาทในวสันพ่อใหญ่ดีก็ไปบอกเจ้าเอาวาดเวลาคนนู้นลาคนนี้บอกลูกบอกหลาน โอ้ยบัได้ไปซ้ำเนอ้อว่าสิไปปฏิบัติธรรมนําอาจารย์สมภพเสียดายด้สิไ ด, ดสได้ตายแล้วละว่ะไปเสร็จเรก็จมที่บ้านวันเราเป็นบ้าตาดีนี่ปฏิบัติธรรมร้ายแต่เป็นบ้าวะท่านทำแปลกวะท่านหลังจากนั้นก็เอารูปตนเองเนี่ยมาเช็ดทําสะอาดมาเขียนประวัติตนเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วก็เขียนพวงหลีดไว้ มาดีมีสุขหรอวะไปดีพ้นทุกข์บอกลูกว่าบัดพ่อตายแล้วหายเขียนอันนี้เด้อแหว้น้ำโลงหลังอย่างนั้นกลางคืนนั้งแกก็ไข่หนักไปลงพยาบาลวัฒนาลงพยาบาลชั้นดีของเมืองอุดรเคนหนึ่งเกือบหมื่นนอนอยู่โรงพยาบาลวัฒนาวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าถึงวันที่สามสิบนี่บอกลูก เอารถมาหลับพ่อเมื่อซะคันหอดมืออื่นไปแล้วเอารถมาใส่ศพซะออซอยูบอะไรเขามาหลับเต็มลงพยาบาลเขาเจอะเผือกเขาใส่สุดขาวมาถ่าแล้วลูกก็เชื่อเอาพ่อใหญ่ดีกลับมามาถึงกลางคืนนั้นแกก็บอกว่าไปมน่นนผะเจ้าคุณสุวรรณ อาจารย์บุญส่งเมืองหนองคายมาเมธเนี่ยพอฟังแน่พออยากฟังเทพท่านเจ้าคุณท่านก็นมาเอามือมาจับพอใหดีนอนอยู่ก็จับมือดีดีดีดจื้อได้วอมีสติบอมียุ่งเอามาเทศเนี่ยก็น้อยฟังเน่จังน้อยท่านเจ้าคุณท่านก็แสดงทําให้ฟังบอกให้เตรียมตัวแล้วถ้ามันจะตายก็อย่าไปห่วงมันพอท่านเทศจบท่านก็กลับในคืนนั้น ก่อนจะเที่ยงคืนพ่อใหญ่ดีลุกขึ้นมาได้มาบอกลูกบอกหลานตัวเอ้ยพอตายแล้วงันเฮือนดีพรนะยาเอาหนังเอามอล่ายาขาดซั์ตัดชีวิตยาขาดงวข า, วขาวดกล้วยเดือกเดือให้นิมนต์พระมา ส, สวดอภิธรรมเจ็ ด, ดมือเจ็ดคืนแล้วให้เพิ่นแปลผ้าสะไยให้เทศบาลฟังพร้อมออหอดมือ เขาศพพอไปเอาอาจารย์สมพกมาเหตุเดื่ออาตมาก็เลยขัดไม่ได้ก็เลยไปแสดงงานศพพ่อใหญ่ดีสั่งไว้นั้นวันที่สามสิบเอ็ดปีสี่ก็ตายตี4ีนั้นเป็นวันที่หนึ่งแล้วนั่นแกก็ตายไปยังไม่ทันปฏิบัติธรรมพ่อใหญ่ดีเ่าเคยปฏิบัติธรรมดนดนขึ้นที่ห้องเคยแต่ห่ท่านเคยแต่จำสิ้นแปดธรรมดา เล่าว่าปีนิสิตังใจเอายางขนาดแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาอีกเลยพ่อใหญ่ดีก็ตายไปแต่ก็ตายอย่างมีประโยชน์มากงานศพพ่อใหญ่ดีพระไม่ต้องนิมนต์หลายกว่านี้อีกหลายเถ่าหะไปงานศพเราพระตังสามร้อยสี่ล่อยไปงานศพพ่อใหญ่เต็มไข่บานเป็นพันมเมารถบาทกันมาอาตมาก็ไปยืนเทศทั้งไข่พร้อม จักสืเดาเผาคนยังดีหรือสืเดาเผาผูเทศน้ำเดิมเหมือนวห็นไ่านแพทยจอบกรไไ่มานํำท่างเทศอยู่ยี่สิบนาทีมาหอดไข่อยู่เปิดขึ้นโอ้ยไปเมืองอุบลบ่อใดแล้วมืออื่นเลืยบ่อใดมากว่าชมา่หว่ายศพลงปูก่อนสืเผาอันนี้เล่าให้ฟังว่าคนสมัยโบราณนั้นรักษาศาสนาไว้ด้วยสปา ยังไม่เข้าถึงปัญญายังไม่เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแต่ก็น่าสรรเสริญหน่าอนุโมทนาแต่ก่อนโมมีม่ได้ผนจะมานั่งสมาธิภาวนาคือหมูห่เฮาแต่ว่าสมัยเพิ่นนั่นคันไม่ น, น้ำกับ่มมี่เนี้มา ก, กวนมันกําลังใสายสะอาดจังคนแต่กี่โมมีหนังโมมีหมอลําพอใไงไม่ไงล่องไปทงไปหา บอกครูบ่าวคูสาวไปเลี้ยงงวเลี้ยงคล้วยกระล่องสารพันมันมีแนวหล่อครมือนี่ยเขาบอหลองหาจ้าเธอเด้อสารพันอาตมาเป็นเด็กหน่อยเอือยเป็นสาวไปเลี้ยงงูมันบอหล่อเพ่ยงยั่งเอือยนี่ก็ได้มาลาดวงดอกม า, มาลาดวงดอกใหม่อยู่หันแล้วมาตัางไวยเพื่อบูชาบูชาประพุทธบูชาประทำมึนบ่ได้บอแนวอื่นไหนก็ฟังเดี๋เดียวไปเถอะ มันบ่กมีแนวล่องเขาเจ้าล่องได้ในสินในธรรมไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจก็อย่างเรื่อมใส ย, ยง่มาเห็นผููเถ่าพ อ, อยังไอเตี่ยวเราไปหาเฟืองหาเฟืองมาพร้อมล่องเฮงมานั่อีมินาสากาเลนาอะไรตังพูดทังอภิปูชาญามาข้ากัาสิบูชาไป ล, ล่ อ, องงานวันทองโอ้อาดมาไม่เข้าใจตอนเป็นเด็กเดียวนี่เข้าใจ โอ้คนแต่ก่อนเนี่ยบอกมีแนวกวนใจใจก็อยู่นั่ประพุธประถมประสงบอกผู้บา่าวผู้สาวบอกผู้ชาย ส, สุ่งขีดืเลียงง้วเลียงค้อยขืนล้างค้อยเปรยพมา่านาโมนะโมตาสาปคาวะโตอาลาหาโตไปบุ่นแน่วขาเจ้าลองมั่นก็เลยทําให้จิตใจไก่สินไก่ทำยังสี่ตู้พระพุดเจ้าวา่าขาเจ้าตายบดตกนะหลอก แม้จะมีความประมาทอยู่บ้างแต่ความเลื่อมใสมีอยู่แม้นี้ก็ไม่ตกนรกพระพุทธเจ้าว่าเพราะนั้นคนสมัยพอสมัยแม่เฮานั้นเพิ่นบ่เคยตกนรกเด็กแต่ว่าเพิ่นกับบ่หมั่นคงบ่ได้มากปฏิบัติธรรมจังเท่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนพิสุททั้งหลาย <c oughs> เปรียบเหมือนนุ่นเป็นธรรมชาติอันเป็นธาตุเบา เมื่อวางไว้ลมยังไม่พัดมามันก็ยังอยู่ตรงนั้นเมื่อลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นก็ปลิวไปทางตะวันตกลมพัดมาทางตะวันตกนุ่นก็ปิวมาทางตะวันออกลมพัดไปทางทิศใต้มันก็ไหลไปกับลมลมพัดไปทางเหนือมันก็ไปกับลมฉ <c oughs> ันใดผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรมระดับโสตะปฏิยังคะธรรม แม้จะมีความเลื่อมใสในพระพูธในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ mm hmm. เขาไม่ตกนรกแต่เขาก็ยังไม่ตั้งมั่นเวลาใดมีสิ่งมายั่ยวยวนมอมเมาจิตใจเขาก็จะเลื่อนไหลไปว่าไงว่าสมัยพ่อแมย์เฮานั้นขึ้นนุนว่างไหวบุคคลมีล่มหัดก็เลยอีมินาสกาเลนะโยหันนามอ้โมอตาสาพระขาวตัวบุคคนมีเนี่ยผัด พอมาหอดสมัยนี้หลกจะเล่นมีแต่เน่ามาหนัวมาหล่อ ม, ม, มาออยจิตใจให้ไกลวัดไกลว่าไก ล, ไกลสิ้นไกลท้ำไปสีเหตุคือเก่าบไิบัร น, นับวันที่จะไกลห่างจากศาสนาพระพุทธเจ้ า, า, จาท่านบอกว่ายังเป็นคนภายนอกปุถุชนะปักเขตโตวะธามิ เรากล่าวว่าเป็นปุถุชนเป็นฝักฝ่ายของปุถุชนพาหิโรปุถุชนปักเทขเป็นบุคคลยังอยู่ภายนอกจากศาสนาจากธรรมวิในเป็นบริษัทยังลีลีขวางขวางยังนบพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่แต่ยังยังว่าหันเข่ามาทางในยังว่าหันเข่ามาทางในขันนี้ยังมาส่วนสินี้อยู่ฟังให้ดีนะ สมัยนั้นยังไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีหนังมีวีดีโอมีภา พ, พยนตร์มีอะไรมากวนใจลูกเต่าก็ยังเชื่อพ่อเชื่อแม่ดีอยู่ัวเมียก็ยังไม่ทะเลาะ ก, กันง่ายพระสงฆ์องค์เจ้ากับญาติโยมก็ใไต่ชิดกันความเชื่อมัน่นต่อพระต่อเจ้าก็ยังมีสูงบัด น, นี้โล ก, กเจริญแล้วความจเจริญทางโลกทางวิทยาศาสตร์รูปเสียงกลิ่นรสที่ผลิตออกมาจากวิทยาศาสตร์ รูปกับป๋องเสียงกับป๋องกลิ่นกับป๋องเกิดขึ้นบัดนี้จิตใจของผู้คนก็ปลิวกระจัดกระจายไกลห่างจากสินจากธรรมเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพระให้นำพระหูชนทั้งหลายเข้าสู่ธรรมเยเตพิกเวอนุกรรมเปยยาถะเยจะโสตพังมันเยยุง ชนเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตตาวาอามั จ, จาวายาติงวาสาโลหิตตาวามิตรก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีพี่น้องก็ดีพ่อแม่ก็ดีคนร่วมงานก็ดีเธอจงไปแนะนำพ่มซ้อนไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในโสตปฏิยังคะธรรมอันเป็นความมั่นคงอย่างเข้าสู่ธรรม ศรัทธาจะสี่รันจะปาซาธโธธรรมทัตสีนังผู้ใดมีศรัทธามีศีลมีความเลื่อมใสมีความเห็นธรรมหลังจากนั้นท่านบอกว่าบุคคลเช่นนั้นมีความสุขบรร ล, ลุความสุขอย่างเข้าสุพร ม, มจันทร์พรห ม, มจริโยคะทังสุขขันติ เขาย่อมอยั่งเข้าสู่พมจันทร์บรรลุสุขอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแม้เขาจะไม่ร่ำรวยแต่เขาจะมีความสุขในจิตในใจชนิดที่เงินทองเป็นแสนเป็นล้านซื้อเอาไม่ได้ความสุขอันเกิดจากการประพฤติอันประเสริฐเรียกว่าพมจริโยขังสุขันติบรรลุความสุขอันอยั่งสู่พมจันทร์ยั่งสู่ศาสนนอยั่งสู่ศิลยั่งสู่ธรรม ที่นี่ล่ะยังไม่มีธรรมสี่ประการนี้ยังเป็นคนลีลีขวางขวางขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างวนไปเวียนมาแต่ถ้ามีธรรมสี่ประการนี้แล้วไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ไปสวรรค์วนไปเวียนมาไม่เกินเจ็ดชาติก็จะถึงที่สุดแห่งภพทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดมัดเขาแน่นเข้าไปอีก ว่าบุคคลใดมีความเลื่อมใสในประพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสเตนะพุทเทธ ร, รมเมสังเคอเวจัปปะสาเทนะมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์หลังจากนั้นบอกว่าอาสันตุถีสันตโถนะอุตตลิงวายามติทิวาปิเวกายะ รติยาปฏิสันลานายะเมื่อเขามีความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาไม่พยายามให้ยิ่งยิ่งขึ้นทิวาปวิเวกายะกางวันไม่หาความสงับในสมาธิรติยาปฏิสันลานายะตลางคืนไม่ลีกเล่นหาความสงบในสมาธิให้ยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ตัดสเอวังปรมัด ต, ตัดสวิหโรบุคคล น, นั้นยังถือว่าประมาทมากยังประมาทอยู่เลยในศาสตร์าสนานี้ในธรรมนี้ฟังให้ดีนะบวชมาห้าสิบปีไม่เคยเจริญสมาธิภาวนาหนังสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ทำแต่ก็มีความมั่นใจว่าจ้างกับบุิกบุคคลอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าประมาทประมาท ตัสเอวังปมัตโตวิหาระเป็นผู้ประมาทเรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทในศาสนานี้ในธรรมนี้เพราะฉะนั้นเมื่อดึงเข้ามาสู่ธรรมได้ในสถาในสินในจาคะปัญญาได้ก็ดึงต่อไปไปสู่การปฏิบัติอันนี้เองอาตจจมาจึงพาท่านทั้งหลาย ดึงเข้ามาแล้วก็นำสู่การปฏิบัติแม้จะทุกข์ยากคมขืนด้วยการปวดร้าวระทมค้มขืนก็ต้องดึงกันเพราะว่าสิ่งที่ดีที่งามที่เราจะพบจะเห็นนั้นไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเพียงการเชื่อการเลื่อมใสเท่านั้นจะต้องไปสู่การปฏิบัติกันจริงๆด้วยเหตุ น, นี้เองจึงจักว่าเป็นบริษัทที่ไม่ประมาทที่แน่วแน่ในธรรมวินัยอย่างเข้าสู่ธรรมเป็นคนภายในแล้ว ที่นี้เมื่อมาถึงนี้เราก็มาพูดกันต่อไปว่าสมัยนั้นเราก็ให้อภัยพ่อแม่ของเรารับช่วงสาตนามาถึงเราแล้วบัด น, นี้เราก็รับต่อไปแต่เราจะทำอย่างเก่าไม่ได้อีกแล้วบ้านเมืองไม่เหมือนเก่าความเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสาต ร, ร์ผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาสิ่งเหล่านี้จะดึงจิตจูงใจพัดศรธรมมหาชนให้กระจัดกระจายห่างไกลจากสะตนะจากสินจากทาความเบียดเบียน ชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตครอบครัวจะมีปัญหามากขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีทางแก้ไขเลยเพราะเหตุ น, นั้นไม่มีอะไรดียิ่งกว่าการนำธรมรมปดิษฐานลงสู่จิตสู่ใจเมื่อเราเข้ามาถึงขั้นนี้เราก็มาสู่การปฏิบัติโดยการเจริญสมาธิภาวนาธิวาปวิเวกายะัตติยาปฏิสันานายะ สันตุโธอุตตริงวายามติพยายามอย่างยิ่งกลางวันหาความสงัดกลางคืนหาความสงบจากสมาธิภาวนาตัดสเอวังอ ป, ปมัตตสัะพิคโกโนวิหาราติพิกษุนั้นบุคคล น, นั้นกล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาในศิลในธรรมนี้การทำความสงดการทำความสงบเราเรียกว่าการทำสมาธิ ทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องสมาธินี่จะทำอย่างไรทำอย่างไรสมาทิทำความเข้าใจให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องพอดีเพราะว่าสมาธินั้นแปลว่าพอดีฟังดีๆเด้อร์พยัง ไ, ไงสมะแปลว่าสม่าเสมออาทิปกติ มั่นคงสมะบวกอาธิเป็นสมาธิแปลว่าปกติมั่นคงสม่ำเสมอแห่งจิตใจจิตใจพอดีเวลาใดจิตใจเราไม่พอดีเวลานั้นมันก็ไม่เป็นสมาธิคือกันก็หาบนาบทั้งหนึ่งนักทั้งหนึ่งเบาบอกพอดีมันก็ได้ค้อน ใจเรามันไม่พอดีบางครั้งมันก็รักเกินบางครั้งมันก็ชังเกินบางครั้งมันก็โง่เกินบางครั้งมันก็ฉลาดเกินบางครั้งมันก็อ่อนแอเกินไปสิ่งที่เรียกว่าไม่พอดีนี้ภาษาบาลีท่านว่านิวลธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้ไปถึงความพอดีกั้นจิตไม่ให้เกิดสมาธิ รักมากเกินไปท่านเรียกว่ากามัฉันเดี๋นี่หักเอยียงเนี่ยหักโลกหักล้านห่วงบ่านห่วงเขื่อนฮักเขาอยู่สุดใดผมกค็คืบไปฮะนี่มันไม่พอดีจิตส่วนเฟอ้อจิตส่วนเกินหลังอย่างนั้นก็ชังเกินไปสั่งบ่พอดีได้ยินเสียงโม่ไอก็สั่างมูเอาเขา ค, ครับบ่มีผู้สร้งางให้สั่งหอดเจ้าของคือว่าให้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าพายาบาท พยาบาทนี่อยู่คนเดียวมันก็เกิดขึ้นจังอาตมาเคยเล่าให้ฟังเห็นหน้องเจ้าของในนามก็สั่งสั่งเอานำหนาเจ้าของยิ่ส่วนหลายนั่นน่ะจิตส่วนเกินจิตไม่พอดีเทนี้มันโง่เกินนั่งอยู่บนเหยีย่างนั่งสมาธิก็สงสัยอ้ามันสีได้บุญบ่อน้อจังสีหรือมันสีได้บาปบ่อน้อปวดแขนปวดขาเสมาคืดเป็นแทนน้อ มากินเข่าพี่น้องบานค้าใยกูซิบาบาบกอไปผลได้บัตรเนี่ยโง่เกินนะมีแต่สงสัยเรื่อยไปชาดหนามีบนะ่เนาะทำบุญนี่สิได้บุญบนะ่เนาะทำบาปนี่สิได้บาปนบะ่คิดไปสงสัยเรื่อยไปชาดหนามีไหมชาติก่อนมีไหมนารกมีอิริบอสวรร์มีอิลีบอนาะคิดสงสัยเห็ุจังสี่มันเถอะบอก ไม่มีการวางใจลงได้ศรัทธาที่มีหลักมีตอเรียกว่ายังมีหลักมีตอก็เลยสงสัยอันนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาปอภาษาเาว่างโง่โพธโง่โพดมันว่าพอดีนะมันโพธต่อมาก็ฉลาดโพธฉลาดเกินนางสมาธิบอกให้ย่งนางขึดเทศอยู่หัวเดียวในใจ มันเป็นพระไปเนี่ยนกระทเพศปรงคิดฟุ้งปรุงแต่งเห็นอันนั่นก็เอามาคิดเห็นอันนี้เอามาคิดคิดปานเพันเป็นพระอรหันต์เอามาฟุง้งมาปรุงมาแต่งมาคิดวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าฉลาดเกินไปเกิดฟุ้งซ่านลำคาญอุดทัจะกุกกุจักคิดร้ายร้ายเขาก็ล่ำคาญเจ้าของเลยบาดหี่บานนี้งโง่เลยบาดหน่ พ่นไปเวียนมาอยู่หันนอกจากนั้นก็อ่อนแอเกินจิตไม่พอดีจากเป็นผู้ไดมาเนียงมาขันมาเตนเน็กมาเตง น, นัง่งอยู่ไม่แต่สิรับบาดห้าอยู่งาบงาบมีโยกก็หันใจทั้งแอลขันให้นอนอีริขัดบ่รับแทะมันอ่อนแอจิตมันพาอ่อนแออ่อนแอเกินที่นี่มาทําสิ่งที่มันเกินให้มันพอดี ไม่ให้มันรักเกินไม่ให้มันชังเกินไม่ให้มันโง่เกินไม่ให้มันฉล า, าดเกินให้มันพอดีพอดีพอดีพอ ด, พอดีมันก็กลายเป็นสมาธิที่วอนทั้งห้าลำงับไปจิตก็สู่ภาวะปกติพอดีที่นี่สมาธินี้เมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเราจะต้องมาพูดถึงประโยชน์มันซะก่อนจึงพูดถึงการกระทาสมาธิมีจุด ประสงค์มีเป้าหมายมีการบรรลุผลไปสู่เป้าหมายอยู่สี่ประการฟังให้ดีๆในเดือที่เข้ามานั่งกันอยู่นี่เข้าเสเอาหยังนั่งไปให้จังไรนอนนี่สิถามเจ้าของมันจะได้เอียงสมาธินั้นมีผลสี่ประการหนึ่งทำให้เกิดความสุข ในจิตในใจที่ประสบพบเห็นในขณะนี้บางคนท่านมีความสุขมากถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมีความสุขตลอดไม่อยากเกะ้องไม่อยากเกี่ยวกับชาวบ้านกับผู้คนพระภิกษุบางองค์ท่านถึงขนาดว่าไม่สนใจกับสังคมเลยท่านมีความสุขถ้าคืนไปเกี่ยวข้องสังคมความสุขของท่านจะหายไปสมาธินี้เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะ พระพุทธเจ้าบอกกับสามเณรจุนทะว่าสมาธินี้เป็นยาเสพติดติดความสุขในสมาธินี้ถึงกับขนาดว่าไม่สนใจใครไม่อยากเกี่ยวข้องกับสังคมแต่ก็อย่าพึ่งไปกลัวมันเลยอย่าเผาวบยานมีนักปาาเก้ทั้งหลายพูดออกมาว่ากลัวจะติดสมาธิกลัวจะชาจะไปพรห ม, มโลกขี่แทวว่าท่านได้เห็นจตเถรอหังกา ล่องให้มันเห็นมันพอสกก่อนเนจังภากัญญาว่ามันจะเป็นจังไถ่บางคนตาวโจมตีนั่งสมาธิหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์นั่นแสดงว่าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจในพระไตรปิฎกสองมืหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกหน้าสี่สิบห้าเล่มว่าดโดยส่วนพระสูตรส่วนมากนั้นพระพุทธเจ้าจะเน้นให้พระสงองค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาอบรมจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิอยู่แกนกลางระหว่างสินระหว่างปัญญาถ้ามีสมาธิดีสินมันก็สมบูรณ์ในในตัวแล้วก็นำไปโศกปัญญาถ้าสินไม่ดีสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องสินก็เป็นเรื่องยังต่ำกว่าสมาธิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนื้อสินขึ้นไปยังมีสมาธิเนื้อสมาธิขึ้นไปยังมีปัญญา ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวมันรวบทั้งศีลทั้งสมาธิแต่มันอธิภาวีตาพระหูลีกตาสมาธิภาวานาที่เจริญให้มากกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในธรรมที่ตนเองประจักษ์แก้งลยพบเห็นความสุขชนิดนี้เป็นความสุขอันเป็นที่ตั้งแห่งคุณงามความดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ความสุขนั้นเป็นบอกเกิดแห่งจริยธรรมกัลยาณธรรมบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเอารัดเอาเรีบกดขี่ข่มเหงกันเพราะคนไม่มีความสุขคนที่เอาความชั่วไปเบียดเบียนคนอื่นใจเขาไม่พบความสุขเขาเอาแต่ความทุกข์ไปป้ายให้แก่คนอื่นเพื่อจะเอาไปนำเอาความสุขมาให้ตัวเขา เขากินเหล้าเขาสูบบุหรีเขาเล่นการพ น, นันเขาต้องการความสุขแต่ถ้าจิตมีความสุขสแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีความหมายความสุขอันเกิดจากสมาธิในจิตนี้ไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่เป็นวัตถุไม่เป็นสิ่งเป็นของเพราะเหตุ น, นั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจริยธรรม เมื่อจิตใจของเรามีความสุขมันก็จะเอาความสุขนี้แหละไประบายไปป้า ย, ปปายให้แก่คนอื่นแก่สังคมถ้าลูกมีความสุขลูกจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากฟังไว้ให้ดีว่าถ้าความสุขเกิดจากศีลจากสมาธินี้มันจะคิดถึงพ่อถึงแม่ อาดมาแต่ก่อนก็เคยได้ยินแม่กล่อมให้นอนเจ้าไนมาให้เจ้าไปบวชได้ยิงหนวดในสินในถ้ำได้จานําคุณพอ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์จาได้อยู่แต่ก็ไม่รู้แต่พอตนเองมาบวชมาทำความเพียร น, นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ร่วงเขาเดือนที่เจ็ดเดือนที่เจ็ดตั้งแต่ทำความเพียรติดต่อกันมาเนี่ พ อ, อถึงเดือนที่เจ็ดที่ทำความเพียรติดต่อกันมาอาดามาได้พบสภาพอันหนึ่งคือความสุขมีความสุขมากล้าลึกในจิตในใจจนไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นถ้อยคำว่ามันมีความสุขอย่างไรในช่วงนั้นเดินอยู่ก็น้ําตาไหลนั่งอยู่ก็น้ําตาไหลเป็นก้อนแน่นอยู่ในคอไหลคือหอดม่ คือทอดพอคือถอดเมื่อทอดปูหอดญาคุณย่าของอาดมาอยู่ที่อำเภอพนาบ้านณผางอายุท่านยืนมากร้อยยี่สิบหกปีบวชเป็นแม่ขาวแต่อายุหาสิบปีจนตายร่วมเล้วเจ็ดสิบหกพรรษา ไม่ไม่ข้านเล่าจนอคอกิวยังแต่สุบวขาดเล่าหาลิ๊บเขาไปจังหันแต่เล่าว่าเคยได้ยินจ้บเถ้อสมาธิเป็นจังไดภาว น, น่าเป็นจังไดบ่ ม, มีผู้ใดสอนเราอาดมะเป็นเน่นหน่อยขึ้นมามาก่าบร้านเนี่ยเล่าก็ะหาเล่าหาเล่าหายนกูนเ่าแลยขึ้นเด็กหน่อยเด้เห็นร้านมาบอาพื้นเก่าพื้นหลังให้ฟังก็ะหา พอเห็นนั้นผู้ใดมีแม่แก่ๆเท่าๆมีแม่ใหญ่มีแม่ยาเถ่าเถ่ า, าหรือมีแม่เท่าๆตึงดีๆบาสนี้เพื่อนเป็นลูกเขานี้บานนี้แล้วบ่นสิได้บุญก็บ่นสิได้บาปพ่อว่พ่อเครียดก็เครียดได้เถ่ามากนะนะมันคือเด็กน้อยๆพ่อจังหนึ่งเพื่อนประเข่าใจไว้จังนึงเห็นลูกเต่าตีมูตี ม, ตมาตีงัวดตีคั้วยอยู่ตลาดทั้งปีไห้เสร็จน้ำตา สูสีขามันกินบ่ละเนี่ยท่านว่าเขาตีของมุ่นมั่งสังกญยาเตะก้าวตะกอนให้ข น, น, นลูกเต่าเขาไหวเบาแน่จังหน่อยบ่เป็นเครียดดอกเอ้ยจะสู้เบาหลายไม่ไงกระไรเอาล่ะเข้าใจอยู่ดอกหูจักอยู่ดอกเจ้าย่าเบาหลายอยู่สมภู่าแนวท่านใส่น้ำตาลเหรอทั้งนี้โ่เมนต์เสร็จเอยเสนอหาพยากำพญา เ, เวนพร้อม พะยกรรมพ ญ, ญา่ะเว้เนอว่าเอาภูคาไปเถอ่าสันภูคาอยากตายเดย้ลูกเขาสร้างหลานเขาดา่าว่าสันมาเอาไปไว้ไว้เถอบะสันได้ให้วันนี้แล้ววันฝนจะตกนรกบาตรเนี้ยเมย์เมย์ไงได้สิตกโตลูกนี่นี่มันจะไปตกบาตรพออาบัตรนี่มันกลับกันแต่ก่อนนั่นเฮานี่บ่ได้ตั้งแต่ใจเฮากะหิ่งเถือบตีนดินงอเมย์ไงนั่นเพน อ่อยเพลินแผงได้ยินเสียงลูกร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายพ่อแลนกนับแลนอยู่กลางไ ห, หน้าได้ยินเสียงลูกไห้พ่อแลนกนับแลนบาหนี้เพลินไฮก็อ่อยเพลินในที่ระบาดเนี่ยมันกลับกันเพราะนั้นอย่างเดี๋ยวนี้ยังไม่รักพ่อรักแม่แต่ถ้านั่งปฏิบัติทำไปเนี่ยนั่งสัาหลบอยู่นี่มีพ่อมีแม่ต้องกันเบิร์มู่ได้ไหมมาเมนว่าเหาแล้วหรือเป็นแต่แม่มูได้ ว่าเจ้าของเทาแล้วหลุดคืดอยากให้แต่ลูกแต่ร้านมาหักเจ้าของแล้วพอคืดเลื่ยไปในว่าเจ้าของกับมี่แม่บาทเท่าเท่านี้ก็ได้หายคืดกันหลวงพ่อที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกับอาตมานั้นท่านไปบินธบาตอาตมาก็าซ่อนธรรมะการจเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งท่านก็สงบท่านก็มีความสุขไปบินธบาตก็ไหายปล่ยน้ําตาหยาดไปฟ้าบาทไปโป๊ะไป๊ะให้ยังไงเน่ยปู่ ไม่ไดห้หาดอกเล่าอ่ะมันน้ำตาไหลออกมาเองคือทอดเมรอะว่ะคือทอดเมลทอดพอดีอยู่น้ำวัดนําว่าจําล้อมจมหลอมโอ้ยคันเป็นเพิินบอดตายปานนี้กสิซ่วนเพิินทําสมาธิได้พอดได้เห็นความสุขคือเข้าคือทอดพอ่อเมรเข้าเนี่ดีบอถิมวัดถิมว่าแต่ว่าบ่พ่อกสินสมาธิปัญญาบ่มีครูบาอาจารย์ เดินดองดันในไพ่สนแสนต่ำม่มมีไพ่ผูหูข้อขานเอื่นกูกเอาคือจังเดินดองดันเดินไปทั้งตาบอดมัมี่ผูเพลนหูข้อจูงเข่าใส่ทงังเลยโบเห็นกระบวนเบื้องทั้งสิลง่งหาหอมเล่ยโบหูบอลเบื้องทา้งเหลี่ยวปนสิโตนง่มเศร้าง่มเศร้าไปเพลนว่าบุญแน่ได้กว่าน้ำเพลนไปเอาเพลนวัวให้ท่านยังกะท่านเบิด เงินหัวเลียนหัวน้ําอยู่ในข้อลูกกับไปแกลออกมาทา่านยานบ๊วยบุญปานนั่นได้ขเขจาวเสื้อแต่กีิขเจาวก็ได้อิริย บ, บุญบอตกนรกดอกแต่ว่าหักสีต่อไปผลบุญซุ้มเก่านั่นมันเบิด์ตบุญใหม่บ๊วยเหตุเติมมันชิโต๊แต่ว่าผู้ใดเข้าถึงศรัทธาสินจาคะปัญญาอย่างมั่นคงคู่นั่นบอตกแข่แขกเอาอีกอย่งมาเป็นเครื่องวัดไม่ไง อยากวัดจาขะนี่บ่อยากบ่อยหยาดวัดอยู่น้ำขมมากนี่แล้วจาขะขันผู้ใดมาปฏิบัติธรรมเทนี่โยนขมมากกระตาหมากท้วนเขา่าปาดาผู้นั่นจาขะมันคงปมมีทางตกนรกอีกเรื่องนี้ก็ได้ขึ้นตะวันอยู่ดอกโบแมนดอกสีตกนรกหย่อนเขียวมากแต่ว่าในโอกาสหนาบุญนี่เบิดไปบุญใหม่บอดเติมนะมันสึงท้วนลงไปตู แปลว่าจ่าขะนะแปลว่าสลัดทิ้งสิ่งที่เป็นพิษในจิตในใจมันไม่เป็นธรรมดาบรนไดได้จ่าขะปฏิบัติธรรมมสามปีสีปีย่งบวชัรรไดจาขะมีอยู่คบวชหลายยังไม่มูลชาตาปฏิติตายังไม่มีรากแก้วหยั่งลงมีแต่หากฝอยตายไงยขันเม่นขันเม่นต้นไม้ไงย่งบวชมีหากแก้วขันฝนบนต๊ะในเจ้าหน่อยตาย อันหนีเขามีหากแก่ฝนบดตกแหล่งวัดปีกับบตายฝนหนามฝ่าไม้มากกว่สิเป็นหมากจิตที่ยังไม่มีศรัทธาสินใจข้าปัญญามั่นของยังอ่อนต้องอาศัยฝนอาศัยร่มเงาเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วแม้ยังฝนฟังเรื่อยๆคูบาอาจารย์เทศเอยๆภาพปฏิบัติเลยๆมีกําลังไห่ปุ๋ยกํา ล, ลังหอดหนามไห้ได้นางสลับอยู่ในเขามาฮอดไห่หเป็นเหี้ยวตูโซ่เผาบานเนี่ มือเนี่ยเมื่อดอกราวะไปหันวันมเหี้ยววันมีหากเกลียวฮอดฮอดน้มอาตมาว่าแห้งเหรอฮอดน้ำได้เนี่ยเอาน้าแห่งธรรมะนันราดรถลดลงไปอาบน้าภายในกษัตริย์ชาวสากยะฟังเทศของพระพุทธเจ้าคนใกล้ๆกกันแหละกับสารการนิขีเหล่านี่มูอเดียวกันเพื่อนนี่ฟังเทศแลวยังมือแร่ง อมานมาเรียกบัตรนี้ได้เวลาสงสนานแล้วขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดกษัตริย์องค์นั้นท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอาบน้ำภายนอกเรากำลังจะอาบน้ำภายในคืออาบน้ำแห่งพระธรรมอมตะรสจากพระศาสดาคือเพิ่นไปสอบพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ละเรื่องสัทธาทินจาขะปัญญานี่แหละก็เลยพูดถึงเรื่องอาบน้าภายใน เข้าเข้าใจได้ก็เลยไม่อยากอาบน้ำภายนอกเขาอาบน้ำภายในไปก่อนให้เกิดสัทธาสินจาัะพัญญาจาโคลสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยปล่อยได้่อนเหิวอ่อนต่อน <c oughs> <c oughs> ยียจะไปยากดิก็อิดูตนสา่นเลือหายได้แหละน้า ม, มานนี่ก็ได้ขั้นจิวแฮ้งายกับยานไม่ไง อย่าเขียดเด้อโรกร้านหักแห้งดอกอยากให้ปีกล้าขาแข็งทางจริยธรรมลองคอนใจกล้าเด้เกิดความแก้วกล้าร่าเริงขึ้นมาบกเที่ยวก็ได้ดอกสมอกในวสัรรยญยนก็ตาท้วนหล่อเศร้าเพราะขาัเนวสเมื่อหอดบานเมื่อหอดบ้านผ า, าเลี้เห็นผู้สีเหี่ยวเียวบาดกูไปสามสี่มือหดผู้ให้เนี้ยก็บอะไรผาบานนี่ มันยังวัดได้ปงหักแท้ปัญไดนาเ้ราที่ยังล่งผัดเศ้าสะบัดฝนเมดนม้ำเพราะฉะ น, นั้นก็ต้องลดน้ำกันบ่อยๆศรัทธาสินจาฆะปัญญาเมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องเติมสุตะสุตะแปลว่าการฟังสัทธายาสีเลนะปัญญายาสุเตนะจูหยังมีการฟังเพิ่มขึ้นจะเป็นน้ำลดราดสา์เทลงไปให้ออกราก มั่นคงที่นี้พวกเราได้มานั่งสมาธิกันถึงสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงจังม่ฟังเทศอันนี้เพิ่นเอิญว่าสิยอมผาใจเข้าคือผ่าใจยังสกรปรกอยู่เลยสักซะก่อนเอาสมาธสักเพินผ่านนาั่งสักใจให้มันสะอาดสองชั่วโมงต้อมันวุ่นวายวสันปานตกนรกทางเป็นมันบริันสะอาด ดำบดแดงพ่อกระเทินส่วนสิเสียเสื่อมผาพันว่ามีไหมแหวกหนีดังย่อมบ่ท่นฟอกทัานสักท่านตีดำบดแดงพ่อกระเทินส่วนสิเสียเสื่อมผาพันว่ามีแต่ไหมบ่หมีเข็มแสี่วสิเอาหยังน่องมายิบแสวมีแต่ไหมบ่หมีอืได้หอยกลนสนิสนได้บอลจังเลยพันว่าอันนี้คือกันสิย้อมผาพระบ่ซัก สีฟั่งเทศใจยังบอสงบทใจยังสกรปรกขุ่นไห้อยู่คือกันก็ผ่าเข้าสีย่อมจักสีใดแน่สีดำสีดงังพรกระดังกระดาวเลยย่อมเข้าไปย่อมบรนไดกระบอกิก่นย่อมแล้วก็จางเจเลศคือเขาจาักสีใดบัตไงว่าสีอยอมให้เป็นสีขาวได้อีกสี่สีหาสีคือมาบาัตคอยังสั่นก็นเลยมานสักฝอกซะ ก, ก่อนผ้านังสมาธิโดนนแล้วจังเทศกันฟัง่ง อาจจะมาคิดว่าสามวันสามคืนผ่านไปนั่นแหละจะเข้าที่ระบาทซักสะอาดได้พอสมควรบาทนี้สิยอมกินกินสีค่วมบ่ เ, เคยได้ยินได้ยินแล้วก็สิเขาใจตื้มขึ้นกว่าเกา่าเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่จะต้องมาทำความเข้าใจว่าเป้าหมายอันแรกผู้ที่ทำสมาธิจะได้พบความสุขอันที่สอง เมื่อจิตมีสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดยานัศสนะปฏิลาภายะสังวัตติเกิดความมีปฏิหารเกิดความมีฤทธิ์มีเดชสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นได้มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นวีบริณางไปสื่อในกลางคืนแกงขวักขื้นกลางเว้นไงจังสิเฮาว่าคิดว่ามันจะเป็นได้แต่สิ่งเหล่านี้จะปรากฏ แกบุคคลบางคนทำให้หลงทางได้เพราะนั้นเรื่องของจิตที่มันมีสมาธิแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆเนื้อมนุษย์ธรรมดาอันนี้ก็เป็นผลของการเจริญสมาธิซึ่งบางคนจะเกิดได้ง่ายมากยังไม่ได้ตั้งใจทำมานานๆแต่มันจะเกิดเพราะเคยทามาแล้วแต่ชาติก่อนนูน่นมาทำใหม่เพิ่มเติมเดียวๆก็เป็นมีนักลูกศิษย์ลูกหาบางคนนั่ง ทำความเพียรไม่นานนักมันจะเกิดทางนี้เกิดไม่ใช่กิพาวเวอ ร, ร์ขึ้นมาเกิดซุปเปอร์นอมอนขึ้นมาเกิดปฏิหารเนื้อมนุษย์ธรรมดาขึ้นมาเข้าไปเว่าไปคุยกันกับผูเพลนมีทรรมาสูงๆไปคุยเรื่องจิตมันเป็นอย่างสัน่นเป็นอย่างสี่ข้าเจ้าไปจอบฟั่งข้าวเดียวไปเห็ดเป็นแบบพอว่าเคยมีมาแล้วฝึกมาแล้วแต่สาสก่อน พ่อหูจะท้างไปเองเร็วเร็เรเรวปเดียวมาบอกอ่างเ้าเดีวผมเพี้ไน้จเลยเนี่ยนั่นวะสันเข้าถามกับบหลงเมียนอีรหรังเธอต้องต้องตัวไหวยา่านั่นไปหลงเพราะว่าฤทธิดเดชนี้เป็นทางนำมาซึ่งความลุ่มหลงเป็นทางนำมาซึ่งลาบสักกาละเสียงเยินยอเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแต่มันจะเกิดได้แน่นอน เป็นของสาธารณะของคนทั่วไปถ้าใครปาถนาก็ต้องฝึกจินให้มันเป็นสมาธิมากๆต่อมาอันที่สามสมาธิภาวนาที่บุคคลทาแล้วจเจริญแล้วจะก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวก่อนดีกว่าตัวมีฤทธิ์มีเดชสติสัมปชัญญะจะส ก, กับ กั้นอารมณ์ความชั่วหลายทั้งหลายมันจะเป็นผู้บุกเบิกกั้นกั้นอาณาเขตไว้ให้ปัญญาทำงานจะเปิดโอกาสให้ปัญญานี้ได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่เมื่อมีสติมีสัมปชัญญะไปคอยกัน้นไปกั้นสิ่งที่จะมาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแก่การเจริญปัญญา เพราะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งสติสัมปชัญญะจะไปที่เรียกว่าจะไปคุมคุมกําเนิดคุมกําเนิดความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นอย่างสมมุติว่าจะโกรธมาสักชั่วโมงถ้ามีสติสัมปชัญญะทันมันจะเหลืออยู่เพียงห้านาทีคุมกําเนิดไว้ไม่ให้มันยืดยาว เหลืออีก5้าสิบห้านาทีเป็นโอกาสให้สติให้ปัญญาปฏิบัติงานเพื่อจะเจาะสู่สัจธรรมเรียกวันนิเพธิกายะสัมมาทุกขะยะคามริยาเจาะชำ่แรกสู่พรัจธรรมสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบสติเตสังนิวาลนังสติสัมปชัญญะจิงกัไปกั้นไปกั้นให้เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเพราะนั้น เมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะมีความทุกข์น้อยมันจะคุมกําเนิดความทุกข์อันเกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงความเห็นแกะตัวเคยจิตใจร้อนใจเร็วใจร้อนก็กลายมาเป็นใจเย็นเพราะสติมันรู้ทันมันควบคุมกันอยู่เคยโกรธง่ายก็จะโกรธช้าลงเคยโกรธนานก็จะเหลือสั้นๆอย่างนี้ทีนี้อันที่สี่อันสุดท้าย สมาธิภาวนาภาวีตาพระหูลีกาตาอาสวะขยายะสังวตติจเจริญสมาธิภาวนามากๆจะทำให้อาสวะความเคยชินที่จะก่อโทษก่อทุกข์แก่จิตคือกิเลสตัณหาหมดไปสิ้นไปสู่ยะถาภูตญาณตัวนี้ถึงที่สุดสองอันแรกเป็นฝ่ายสมถะ ใครอยู่ใกล้ทั้งโน้นปรับปลุ่มดูโน้นทีสองอันแรกคือนำมาซึ่งความสุขและนำมาซึ่งความเป็นผู้มีญาณทัศน์มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเป็นสมถะสมถะกรรมฐานอันเกิดมาจากสมาธินี่แหละสองอันหลังความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์และการทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไป เป็นฝ่ายแห่งวิปัสนาเพราะฉนั้นทั้งวิปัสนาทั้งสมถะจะต้องอาศัยสมาธิเป็นบาตเป็นฐานจึงมีคําอีกคํำหนึ่งว่ามูลสมาธิสมาธิอันเป็นบาตฐานทั้งของสมถะและวิปัสนาที่นี้การกระ ท, ทําสมาธิให้เกิดขึ้นนี่แหละเป็นบาตเป็นมูลเป็นฐานท่านเรียกอีกคำหนึ่งว่าตัมมะฐาน กรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตจิตนี้จะมีมีอโนภาพมีอำนาจเนื้อตายเนื้อวาจาจ ะ, จะพูดก็ต้องจิตทำงานก่อนจะทำจะเคลื่อนไหวก็จิตมันทำงานก่อนเมื่อเราสามารถควบคุมจิตให้ทำงานในวิถีทางที่ถูกต้อง การพูดก็จะเป็นการพูดที่ถูกต้องการกระทำก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องจึงเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตที่นี่กรรมฐานนี่มันก็เลยพูดขายายออกไปยังมีสมถกรรมฐานที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตให้เกิดความสงบนำไปสู่ความสุขและความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช มิปัสนากรรมฐานที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตอันจะนำไปสู่ความประจักษ์แจ้งสัจธรรมรู้แจ้งเห็นจริงจนหลุดพ้นจากทุกข์สมรรกรรมฐานเกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางไม่เกิดอ า, าลาลดาบทอุตกระดาบทฤษีชีภัยทั้งหลายเขาก็มีสมถกรรมฐานมีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพ มีบุเพนิวาสานุสติญาเจโตปริญญาอิทธิวิธีสแสดงฤทธิ์ต่างๆและลึกชาติพนหลังได้รู้จักจิตจากใจคนอื่นล้วนแต่มาจากสมถะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มีแต่วิปัสสนานั้นจะเกิดเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้มาสอนเท่านั้นเพราะเหตุนั้นสองอันแรกที่ทำให้เกิดความสุขและ เกิดความเป็นผู้มีลิตรมีเดกนั้นมีผู้สอนมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเรียนกับอาลาลดาบทพุทธกดาบทมาแล้วท่านก็เห็นว่าอันนี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกมีลิตรมีเดกแค่ไหนก็ยังไม่พ้นจากทุกอย่างเก่งก็มีคนแห่แหนอัศจรรย์เลื่อนลั่นโด่งดังทางอภิสิหาร แต่จิตใจของตนเองยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสหังสาธิตจปะปฏิยันติอากาเซนันติอิทิยาพยาหงก์ก็เฮินฟ้าหาดวงอาทิตย์แม้ผู้มีฤทธิ์ก็ได้แต่เหาะเฮินเดินอากาศนียันติทีราโรกรมห้าเชตวามารังสวหาหนังคู่เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถออกจากโล ก, ออกเอาชนะพยามารพร้อมทั้งกองทัพได้ การมีฤทธิมีเดชนั้นเกิดมาจากอำนาจจิตอันแรงกล้าของสมถะแต่การมีปัญญาประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมนั้นเกิดมาจากอำนาจแห่งสติสัมปชัญญะปัญญาและพลังแห่งสมาธิร่วมกันไายมาเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นโลกว่างจากพระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่างจากผู้มีฤทธิมีเดชประเภทนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นจึงมีวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ดูถูกสมถะท่านก็สอนอยู่อย่างเต่าว่าวิชาภาคิยะธรรมสองประการคือสมถะและวิปัสสนาบางคนอาจจะเหมาะกับการเจริญสมถะคือเจริญสมาธิไปไม่นานนั่งก็จะพบความสงบ และจะมีความสุขลึกๆมีความพอใจอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้ง่ายที่จะไปทางสมถะไปสู่ความเป็นผู้มีสมาธิมากมีพลังจิตมีฤทธิ์มีเดชแต่บางคนอาจจะง่ายในการจเจริญวิปัสนาคือจิตไม่ค่อยสงบแต่ก็รู้ทันจิตได้ง่ายท่านทั้งหลายจึงจะต้องมาลองดูลองดูอย่างไรก่อนที่จะจบลงนี่มันจบไม่ได้เพราะมันยังไม่เข้าใจ เสียดายว่าพรุ่งนี้จะทำไม่ถูกเอาเป็นว่าทั้งสมถะและวิปัสนาเราจะเอาอย่างไรพระพุทธเจ้าหั่นกันเลยแจกซอยออกมาสามประการสมถังบุพังขมังวิปัสนาภาเวติเจริญสมถะเป็นเบื้องต้นซะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสนานี้พวกหนึง่งอีกค่ววหนึง่งวิปัสนาบุพังขมังสมถังภาเวติ จเจริญวิปัสนานำหน้าไปก่อนสมถะไม่สนใจเอามันทีหลังหรือเอามันไปพร้อมกันเลยสมถะวิปัสนาสมถังวิปัสนางยุคณทังภาเวติจเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาไปพร้อมๆกันหลัง่างนั้นมันจะเกิดมัคเรียว่ามัคโคสัญชาติเส้นทางหอนทางเลือกแห่งจิตจะเกิดขึ้น คือเราทำไปพร้อมกันบางทีมันจะเก่งทางใดทางหนึ่งแล้วมันจะเลือกมันเองเพราะนั้นเราจะต้องทำไปลองดูก็ได้ว่าพร้อมๆกันเอาอย่างนี้นะกลับไปนี่ไปเข้ากดเข้ามุ่งลองดูว่าเรานี่จะถนัดทางสมถะหรือจะถนัดทางวิปัสนาหรือว่าเราจะให้มันเลือกมันเองเราก็สามารถทำได้ถ้าต้องการจะทำสมถะก่อนก็ไม่ต้องไปสนใจ เรื่องพิจารณาอะไรความคิดที่มันฟุ้งมันปรุงมันแต่งให้มันคิดไปเราก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวหรือจะพูดว่าพุทโธพุทโธพุทอะไรก็ยัดลงไปที่พุทโธเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสมถะเป็นเบื้องต้นในส่วนใหญ่มันเราจะเอาอย่างเดียวในที่สุดจิตมันจะเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงลงจนมันปล่อยแม้กระทั่งพุทโธพุทโธมันก็เลิกพูด นี่แต่ความเป็นอ e e ันเดียวเอกาทิ ang, e g, พาโวจิตตังจิตอันเอกขุดขึ้นอยู่ภายในสังเกตดูได้ง่ายดอกถ้าเราพูดไปพุโทโธพุโทโธหรือว่าดูลมข้าวดูลมออกไม่กล่าวเข้ามาพุโทโธในใจความคิดที่มันหลากหลายมันค่อยสงบลงระ ง, งับลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะง่ายไปทางหลับอยากหลับนั่นคนนั้นง่ายที่จะไปสู่สมถะแต่ทีนี้ถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือ บริกรรมในใจบอกพูดโถพูดโถพุดโถแต่ความคิดก็ไม่หยุดลางไหลมาอยู่ตลอดไม่สงบไง่ายๆถ้าอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะกับสมถธิก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูลมหายใจแต่จะจ้องดูความคิดเอินมันคิดมามโลดบานฮิปว้าว่าสันยู่ซิไดาแนวมันิดทําแม่เต่าหลอกๆแกลล์กอยสิจ่อเ บ, บิ้งเจ้ามาสันพอมันคิดปับ๊บเราก็รู้จักปับ๊บ น, นั่น ค, ค, คิดแล้วบมเมนต์ห้องคิดเพิ่นผัวน่าคืดเองเพิ่นคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดแล้วคิดอีกรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วแล้วแล้วเล่าเล่าอยู่ตรงนั้นถ้าทําไปทําไปแล้วรู้สึกว่าความคิดมันสั้นพ อ, อจะคิดปับ๊บทางนี้ก็รู้ปับ๊บมันก็หยุดมันคิดพร้อมกันกับรู้พร้อมกันไม่ได้เมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับสมมติว่าคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเ๋ยวเราย่อมไม่รู้ว่าเราคิด แต่ถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้มันกําลังคิดมันจะต้องทิ้งเรื่องที่มันคิดมันสีว่างไว้ซะก่อนญากกันขณะที่มันคิดเรากลับมารู้จักว่ามันคิดกลับมารู้สึกตัวมันคิดปั๊บเนี่ยเขาหูโอ้น่ะมันขึ้นแล้วก็ขึ้นมาหูซึกว่านี่เดี๋ยวเข้านังจนเถิดอยู่นี่เข้าบริปไปเนาะมันคิดมันคิดไปบ้านนั่นเลยอยู่บ้านเพื่นได่ทางกายทั้งจิตมันหลงไปมันเข้าใจไปอยู่โน่นเห็นเบิ่ดกังขึ้นกับบะมืด บ่ได้เปิดไฟฝ่าบ่ได้ซ้ายไฟให้ได้หนิมือคิดไปเห็นหงวัดในคว่มขิดเนะี่ยมันบ่นคือคนตาบอดคึดตาบอดฝันกะ็ะคืนก็มืดฝันก็เว้นกระมึดแต่พวกเราคิดกลางคืนก็สว่างแต่เราก็จงรู้จักวันนี้คือมันคิดนั่นคิดอีกเลียวลบขึ้นมาหูจากหนีดีนั่งจนเฉยๆอยู่นี่บ่ได้ไปน้าคว่มขึดรู้ว่ามันคิดมีสติระลึกได้ว่ามันคิดมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่านั่งอยู่ตรงนี้ มันจะชิมปวกกดความคึ้นพอมันคึ้อีกหูอีกมันก็ะป้าไว้ชะมันก็ขึ้นมาหูจะโตเจ้าของ่องนี้แย่งกันไปแย่งกันมาในที่สุดความคิดก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสติปัญญาก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นคิดปั๊บรู้เองรู้เองรู้เองครั้งแรกหัดให้มันรู้ซะก่อนเรียกว่าอภินัยยะรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งจากรู้ยิ่งมากๆเข้าวก็เป็นสัมโพธายะรู้พร้อมโดยอัตโนมัติ มันรู้มันเองไม่ใช่เรารู้แต่ก่อนเราหัดให้มันรู้บัตรนี้มันเก่งสติปัญญามันคล่องตัวมันก็รู้แล้วก็ดับไปหลังจากนั้นก็จากสัมโพธายะก็มาสู่นิพพานายะสังวตตินิพพานายะสังวตติก็เป็นไปเพื่อความดับลงเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรารู้ปั๊บมันก็ดับไอ้ที่มันดับลงครั้งหนึ่งหนึ่งคือนิพพานนิพพานชั่วขณะเรียกว่าขันิกะนิพพานสมญาญิกนิพพาน การดับลงแห่งนามเหล่านั้นแห่งรูปเหล่านั้นการดับลงแห่งขัดสะนั้นการดับลงแห่งรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เนี่ยเมื่อเห็นมันเกิดเห็นมันดับอย่างนี้มันก็จะเข้าถึงธรรมที่เลยว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันทังนิโลธาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นความเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดานี้มันก็ อย่างเข้าสู่ธรรมพร ม, มจเยโอขัตปัตตายัางลงสู่พ ม, มจันในศาสนานี้อย่างลงสู่ธรรมเพราะนั้นถ้าหากทมอย่างนี้ความสงบก็วิ่งตามหลังมาเองหรือว่าวิปัสนานำหน้าสมถะตามหลังหรือจะเอาสมถะนำหน้าถ้ามันเหมาะกับจริตเราก็เอาสมถะนำหน้าไปเมื่อจิตใจมันสงบดีแล้วก็อย่าให้มันสงบนอนอยู่เฉย เอามันมาพิจารณามหัดให้มันเป็นงานเอามันมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาดูขันดูธาตุนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่พอหูได้ยินเสียงปั๊บขึ้นมาก็พิจารณาว่าโอ้นี่วิญญาณนัขันเกิดทางหูแล้วเว้ยพอมันดับไปวิญญาณนัขันนี่ดับไปแล้วถ้าได้ยินเสียงคนพูดวิญญาณนัขันเกิดขึ้นแล้ว จำได้ด้วยเสียงคนนู่นนั่นสัญญาขันเกิดขึ้นเร็วนั่นไปนั่นโอ้บะมวนเด้เสียงนี่เป็นตะสังเด้แห่เวทนาขันเกิดขึ้นเร็วแหนมวนเด้จะเป็นคกเด้อยากฟังอีกเด้นี่เวทนาขันสุขเวทนามันเป็นขันเป็นกลุ่มขันนั่นไปวอกกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เรณาดูขันเหล่านี้ดูขันดูธาตุดูอาชิตนนะดูไปดูไปก็เห็นแต่สภาวะธรรมชาติที่มันเป็นเองเป็นเองเป็นเอ ง, เเองไม่มีเราอยู่ตรงนั้น อย่างนี้สมถะมันก็ทําได้เมื่อสงบเต็มที่ก็ยิ่งมีพลังมาพิจารณาถ้าไม่เอามาพิจารณามันก็ตายให้มันเลือกมันเองไม่ใช่เราเลือกสมถังวิปัสนาญโยคะนัทางภาเวติเจริญสมถะและวิปัสนาไปพร้อมกันวิปัสนางสมถังภาวยาโตมัคโคสัญชายติเจริญสมถะวิปัสนาไปพร้อมกันมัค คือหนทางจะเกิดขึ้นให้จิตเลือกทำอย่างไรทำพร้อมกันสมมุติว่าเราดูลมหายใจเป็นอาณาปานสติเอาเอาอาณาปานสติมามาเป็นตัวอย่างซะก่อนผู้มีชาเราค่อยว่ากันอีกว่าจะเอาแบบไหนแน่แต่ถ้าเราจะเอาอาณาปานสติมาเจริญสมถะและวิปัตนนาไปพร้อมกันเนี่ยล้วก็มีสติกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วกว็แบ่ง แบ่งสติเป็นสองสว่วนห้าสิบเปอร์เซ็นรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดอีกห้าสิบเปอร์เซนตั้งไว้เหมือนเลดา้าคอยรู้จักความคิดความรู้สึกมันคิดอะไรก็รู้มันมันมั น, ม, นมันไม่คิดเกาะรู้อีกส่วนหนึ่งก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกในลมหายใจนี่ดูว่ามันจะไปทางไหนสติสัมปชัญญะจิตของเรามันจะคล่องไปทางไหน ถ้าดูไปดูไปจิตมันไม่ค่อยจะดูลมแต่มันกลับไปรู้ความคิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นดับไปรู้เร็วขึ้นนั่นแสดงว่ามรรคเกิดหนทางเลือกของจิตดวงนี้มันเกิดมันถนัดที่จะไปวิปัสสนาก็ให้มันไปเลยแต่ถ้าดูลมหายใจไปด้วยดูความคิดไปด้วยความคิดน้อยลงน้อยลงแต่ลมหายใจนี่ดูเด่นชัดขึ้นแล้วค่อยสงบลงแล้วก็กลายเป็นภาพ กลายเป็นนิมิตเป็นอกหะเป็นเหมือนปุ๋ยเมฆปุ๋ยฝ่ายเหมือนหยดหน้าเหมือนแสงเดือนแสงดาวเหมือนตะวันกําลังจะขึ้นเหมือนเหมือนแสงหิงห้อยแล้วแต่มันจะเป็นไหลหน่วยงว ย, งวยอันนี้มันจะมาห่างสมถะแล้วก็หยุดดูความคิดด้วยที่มันไหลไปไหลมาเนี่ยเอาสติกําหนดตัวนี้ลงไปสร้างมโนภาพทับที่มันไหลไปหน่ว ย, วยมันออกซ้อนกัน ตัวนี้เกิดขึ้นตัวใหม่ก็สอนมาไม่ไม่อย่าไปถามว่าเป็นหนังให้เอาสติกําหนดตัวนี้ลงไปจะปล่อยลมหายใจเลยก็ได้กําหนดตัวนี้ถ้ามันไหลไปทางโน้นก็น้นมจิตอนุทิตาน้อมมาทางนี้ฟื้นมันจนมันอยู่กับที่แล้วก็โ น, น้มดึงเข้ามาน้อมผลักออกไปสร้างมโนภาพเรียกว่าเซฟปฏิภาคนิมิตจากอคาหาให้มันเป็นปฏิภาคดึงเข้ามาผลักออกไป จิตนี้ก็จะละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจค่อยละเอียดจนไม่หายใจเลยในที่สุดมันจะเกิดอาการวาบวาบเป็นอาการคล้ายๆจะตกจากที่สูงลงที่ต่ําในที่สุดถ้าเราไม่เคลื่อนสะก่อนเราก็ดูดูนี้จ้องดูไปดึงเข้ามาพักออกไปอีกน้อยก็พลึบลงไปในนั้นจิตกับอันที่ดูนั้นเป็นอันเดียวกันเอกังรมนังจิตตัง